ออมีความสุขกันทุกคนเช้าวันนี้อากาศย็นสดชื่นเมื่วานนี้ก็ได้สร้างอนิสงส์ใหญ่บุญใหญ่ได้สร้างองค์แทนพระพุทธองค์หล่อองค์แทนพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะประดิษฐานเอาไว้ที่โรงเรียนไทยรัฐให้โรงเรียนได้กลาวบ่ายสักการะบูชาในสิ่งที่ควรบูชา แล้วก็น้อมนำไปประพฤติไปปฏิบัติขัดเก่ากิเลสของตัวเราเองเมื่อวานญาติโยมก็เยอะเยอะเย อ, อะทุกวัดญาติโยมก็เยอะทุกวัิวันนี้ก็จะได้ทางผู้ใจบุญทางคุณแม่ศรีคุณหนึ่งสามเคแบตเตอรี่จะได้ทำพิธีถวายองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง ซึงก็มารอวันที่12มีานาที่ผ่านมารอเสร็จทำเสร็จทุกอย่างปิดทองเสร็จก็จะได้ทำพิธีมอบถวายไว้นที่วัดป่าธรรมอุทยานในวันนี้ก็ประมาณช่วง3โมงหรือ9โมงกว่าก็ขอเชิญพี่น้องเรามีโอกาสก็มาร่วมกันมาร่วมกันอนุโมทนาสาธุด้วยกันเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต โอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดบุคคลมีบุญย่อมสร้างสะสมบุญไม่ปล่อยโอกาสทิ้งทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราโอกาสเปิดเห็นคนอื่นทำเราก็ปล่อยอนโมทนาสาธุร่วมสาธุด้วยเราก็มีส่วนแห่งบุญส่วนการขัดเก่ากิเลตเราก็ต้องเจริญสติไปอบรมใจของเราทุกวันทุกวัน ทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงการเกิดของใจเป็นอย่างไรการแยกรูปแยกนามหรือว่าเจริญสติรู้เท่ารู้ทันตัวใจกับอาการของใจให้ทันจนกว่าใจจะคลายออกแยกออกจากขันท่าแยกออกจากขันท่างายขึ้นมาเหมือนกับงายของที่ควา่า คความรู้โตหรือว่าปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาตามเห็นการเกิดการดับของขันธ์ห้ารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจในความหมายในสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็ออกมาเปิดเผยจําแนกแจกแกงให้สัตว์โลกก็คือพวกเรานี่แหละได้น้อมนำไปปฏิบัติให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราอยู่ด้วยปัญญา บริหารด้วยปัญญาทาด้วยปัญญาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงศรัทธาแล้วก็ให้เกิดปัญญาเห็นเหตุเห็นผลทั้งส่วนนามธรรมทั้งส่วนรูปธรรมรอบรู้ในวิญญาณในกายในขันห้าของตัวเรารอบรู้ในโลกธรรมในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเราก็อยู่ด้วยปัญญามองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันทุกเรื่อง ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บก็สำรวจใจปับ๊บจะลุกจะก้าวจะเดินใจเป็นอย่างไรใจปกติใจสงบความคิดผุดขึ้นมาได้อย่างไรใจของเราอยู่ในกองบุญกองกุศลหรือไม่ใจของเรามีความสงบมีความสุขมีความสะอาดหรือเปล่าเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาหลายสิ่งหลายอยา่าง กายของเรานี้ก็เป็นสนามรบเป็นอย่างดีสนามรบมกับกิเลสเจริญสติเขาไปอบรมใจเขาไปชี้เหตุชี้ผลท่านทหมว่าโนเป็นที่พึ่งของตนทีนี้เราก็ยังเขาไปยุ่งเกี่ยวกับพันธะภาละนาที่การงานต่างๆให้แยกออกจากใจของตัวเราเห็นก็สักแต่ว่าเห็นฟังก็สักแต่ว่าฟัง กายทำหน้าที่อย่างไรเราต้องหัดวิเคราะห์จนถึงจุดหมายปลายทางกันจนกว่าจะหมดลมหายใจจนกว่าจะไม่ต้องกลับมาเกิดกัน mm hmm. การทําบุญการสร้างสะสมบุญสร้างสะสมคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะต้องทำํำทำมากก็เป็นของเราทําน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทําเราก็ปล่อยอนุโมทนาสาธุด้วยหลวงพ่อก็ขอขอบใจขอบคุณ ทุกคนที่ได้มาร่วมกันและก็ขอบคุณเหล่าเทวดาที่ได้มาช่วยมาร่วมเทวดาที่มีกายเนื้อเทวดาที่ไม่มีกายเนื้อก็มาสร้างบุญร่วมกันวันนี้ก็ประมาณสักสามโมงหรือ9ก้าโมงเจ้าภาพผู้ใจบุญท่านก็จะได้พาทำถวายองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจําลอง เรือ ว, ว่าองค์แทนของพระพุทธเจ้านั่นแหละพุท ธ, ธะก็คือผู้รู้เราจงสร้างผู้รู้ให้มีให้เกิดแต่เวลานี้ผู้รู้ของเราคือตัวใจของเราทั้งหลงทั้งเกิดทั้งยึดบางคนก็ยึดมากบางคนก็ยึดน้อยบางคนก็หลงมากบางคนก็หลงน้อยถ้าเราไม่ได้เจริญสติเข้าไปแยกเข้าไปคลายก็จะว่าตัวเองไม่หลงในส่วนลึกในความเกิดนั่นแหละคือความหลงอันละเอียดความเกิดของใจ ใจก็มาสร้างพบมนุษย์มาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวใจอีกใจก็ยังเป็นห้าทงกิเลสอีกกิเลสก็มีหลายชนิดกิเลสหยาบกิเลสละเอียดต่างๆไล่เรียงลงไปจนกระทั่งถึงการเกิดคงใจนะี่มันปิดกั้นตัวเขาเอาไว้หมดเราจงพยายามเจริญสติเข้าปีวิเคราะห์เห็นเหตุเห็นผลที่เหตุที่ผลปรับปรุงสภาพใจของเราให้อยู่ในความบริสุทธิ์ ปรปงสภาพใจของเราให้มีหน้าที่รับรู้แต่ไม่ให้เกิดให้ขยันมันเพียรด้วยสติปัญญาไอ้ตัวเกิดคือตัวปัญญาเราพยายามแยกแยะให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นการจะขึ้นสู่ที่สูงก็ต้องอาศัยบุญอาศัยบรารมีเหมือนกับเราขึ้นบันไดก็อาศัยขั้นบันไดอาศัยราวบันไดจนถึงตัวบ้าน ปัดกวาดทาความสะอาดบ้านจะขึ้นจะลงก็เป็นการขึ้นลงด้วยปัญญาการปฏิบัติใจก็เหมือนกันเราพยายามแต่และวันแต่และวันจิตใจของเรามีความ อ, อนโนม้มทถมตนหรือว่าจิตใจของเรามีความแข็งกล้าวแข็งกระด้างจิตใจของเราเกิดสักกี่เที่ยวเกิดสักกี่ครั้งเหตุจากภายนอกทําให้เกิดหรือว่าเกิดขึ้นจากภายในใจอันนี้เรื่องของกายอันนี้เรื่องของใจเขามาอยู่รวมกันได้อย่างไร เราต้องรู้จักลักษณะของการเจริญสติเอาสติปัญญาไปใช้เห็นเหตุเห็นผลจนทะลุปโปร่งรู้แจ้งเห็นจริงหมดความสงสัยหมดความหลังเลในพระพุทธองค์คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงเราจงพยายามน้อมนำเอาคำสอนมาปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราจน ใ, ใจของเราเป็นผู้รู้หรือว่าธาตุรู้ไม่แต่เวลานี้ใจของเราก็เป็นผู้รู้อยู่แต่รู้ทั้งรู้ทั้งหลงเกิดหลงยึดสารพัดอย่างอันนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราในทางสมมุติก็เป็นของเราอยู่แต่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่ไม่ตตากายตัวเราก็ไม่ใช่ของเรานี่แหละ ท่านพยายามให้วิเคราะห์ให้รู้ให้เห็นชี้เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็นผลอะไรคนละอะไรคนจเจริญอะไรคนดำเนินบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นสอนเราให้ได้ถ้าเราสอนเราไม่ได้จะไปให้คนอื่นเขาสอนนี่ไม่มีทางนียนะหมดโอกาสเลยคนอื่นครูบาอาจารย์ก็เป็นแค่เพียงผู้ชี้แนะแนวทางวิธีการเท่านั้น เราจงพยายามแก้ไขใจของตัวเราขณะที่ยังมีกําลังอยู่ถ้าหมดลมหายใจแล้วก็เหลือต้งแต่เรื่องบุญกับบาปเราพยายามมีโอกาสมันสร้างคุณงามความดีนี่มีอะไรก็ขอขอบคุณทางคณ ะ, ะบริวารทางคุณโจนก็มาช่วยมาช่วยทําโน่นทํานี่ทางคุณโยมทานินที่ระยอง ก็มาช่วยทำโน่นทํานี่ให้บริวารมาช่วยอาทิตย์ละเกตแปคนทั้งทั้งเรมโคสะก็ให้บริวารมาช่วยทุกคนต่างก็ช่วยกันทั้งพระทั้งโยมทั้งชีอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ช่วยกันอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านสร้างบุญมาร่วมกันนั่นแหละถึงได้มาอยู่ร่วมกันอีกสักหน่อยก็ได้พัดภาคจากกัน ไม่ได้พัพดภาคจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตอนตายอันนี้เป็นกฎคงตาลักกฎคงความเป็นจริงของทุกคนที่หลวงพ่อได้มอบโลงแจกรกงศพมอบลงศพให้กับญาติโยมภายในเขตจังหวัดขนแก่นของเรานี่ก็เกตแปดตำบลที่มารับเอารงศพขณะทีะ่วายชนหรือวัดตายหลวงพ่อทำมาสามปีกว่า ได้มอบให้ไปเก0ร้กตว่าลงแลลวแล้วก็ให้ศพละห0 0พันพันไปช่วยทำงานศพด้วยทั้งผ้าไตจีวรทั้งผ้าขาวออดอกไม้ทุกเทียนนี่แหละความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงไม่ว่าผู้ใหญ่บางทีก็มาวันละสามลง4ี่ลงวันละหลงก็ยังมี มารับเอาลวงทั้งกลางค่กลางคืนดึกๆกดน ก, ก, ก, ก, ก็มีนี่หละไม่ได้เลือกกานเลือกเวลาแมแต่ตัวของเราก็จะได้ไปเหมือนกันถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ไปถ้าถึงเวลาแล้ว อ, อะไรมาฉุดเอาไว้ก็มีอยู่พยายามมันสร้างคุณงามความดีเพียงแค่คิดดีก็เป็นบุญแ ล, ลว้วการกระทำของเราให้ถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์เดือนพฤษภาคมบันทึกก้า พฤษภาคมที่จะถึงมีนาเมษาเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนเดือนพฤษภาคมญาติโยมท่านได้ปรารถนาที่อยากจะไปปลูกต้นไม้อยู่ที่ปักธงชัยตรงที่จะได้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่อยู่ที่โนดวันที่เกพฤษภาคมก็จะได้วางศิลาฤกษ์เราก็จะได้ปลูกต้นไม้ประมาณส 0,000 ื่นกว่าต้น ต้นเอกราปพฤกที่ออกดอกเต็มต้นกับต้นชมพูพันธทิพย์ที่ออกดอกเต็มต้นหลวงพ่อจะให้เป็นสวนใหญ่ของประเทศใครไปใครมาก็จะได้ไปภายในส5ห้าปีให้เป็นดงดอกไม้ภายใน500กว่าไร่สวยงามมากทีเดียวเราได้มีโอกาสได้ไปฝากทรับภายในภายนอกทั้งธรรมชาติ ไปปลูกไปสร้างเอาไว้ที่โน่นก็จะได้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่อีกองค์ใหญ่กว่าที่วัดเราประมาณสองเท่ามีโอกาสจากนี้ไปกว่าจะสิ้นลมหายใจก็คงจะเสร็จ หน่วยงานหลายหน่วยงานไปช่วยกันทั้งโรงเรียนต่างๆทั้งหน่วยงานของทหารหน่วยงานของตำรวจทั้งหน่วยหน่วยงานของนักเรียนต่างๆที่จะไปร่วมกันวันที่8ที่9ที่จะได้ไปปลูกต้นไม้วางต้นไม้เอาไว้ส่วนเจดีก็จะได้เริ่มทำเดี๋ยวนี้ก็ถมที่ไปเกือบหมดแล้วถมที่ขุดบ่อใหญ่ให้เป็นแหล่งบุญฝากเอาไว้ในประเทศของเรา มีโอกาสก็ให้ไปร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่คอนเกนเราก็ดำเนินไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆไม่เกิน 4-5 หปีก็คงจะเสร็จได้กำลังจากพู้มีบุญทั่วทุกสารทิศมาร่วมกันทั้งกำลังกายทั้งกำลังใจทั้งกำลังทรัพย์มาช่วยกันตัวไม่มาก็ฝากทรัพย์มาหลวงพ่อ ข, ขอขอบคุณ ในจิตที่เป็นบุญของทุกคนนี่แหละโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดเราก็ได้มีการสร้างบุญสร้างกุศลฝากเอาไว้อย่าไปมองข้ามเพียงแค่บุญเล็กๆในน้อยเราก็อย่าไปมองข้ามเก็บสะสมสร้างสะสมบุญหลวงพ่อจะไม่ปล่อยทิ้งโดยเด็ดขาดบุญสมมุติบุญววมุติบุญสมมุติเราก็ทําให้เต็มเปี่ยม แม้แต่งแต่ญาติโยมที่มาบริจาคเงินบาทเงินสลึงเงินสตังต่างๆหลวงพ่อก็ต้องเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อเพื่อที่จะให้ทํำลงทานไม่ให้ขาด อ, อ, อะไรที่จะเป็นบุญเราก็พยายามมาช่วยกัดมีโอกาสแล้วโอกาสเปิดการเวลาเปิดขณะยังมีกําลังอยู่ทํามากทําน้อยก็เป็นของพวกเราทั้งพระทั้งโยมทั้งชีมาร่วมกันหลายที่อยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์พระธรรม ก็ให้ทาพยายามทำเราทำแล้วก็ให้มีปัญญาด้วยมีปัญญาด้วยรู้จักวิเคราะห์รู้จัก พ, จกพิจารณาทำความเข้าใจกับความสอนของพระพุทธองค์ให้ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเราจนใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องกลับมาเกิดกันอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นอ ก, กุศลเราก็พยายามละอะไรที่จะเป็นกุศลเราก็พยายามเจริญ ทำให้มีให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวันนี้ก็หลังจากให้ใหพรเซตรับประทานข้าวป่าอาหารเซตก็ประมาณสักเก้าโมงมาร่วมกันถวายมอบถวายทำพิธีถวายองค์หลวงพออ่อสทอนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานที่บนเกตของพระพุทธองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วนกิเลสของเราก็ละ อ, อ้าอ่งใจละพร อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของตัวเราเองให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปน ม, มือฟังไปด้วยน้อมสำเนียกไปด้วยหลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยว การสูดลมหายใจยาว่อนลมหายใจยาวกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นยอะใจของเราจะนึกคิดไปที่ไหนเขาก็หยุดสงบระงับลงทันทีเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกอานาปานสติพวกเราก็พยายามสร้างขึ้นมาให้เกิดความเคยชินอย่าไปปล่อยปะละเลยเราหายใจถึงแต่เกิดจาก ท้องแม่มาถ้าหยุดการหายใจสักข่านาทีสามนาทีอันนี้ก็หมดสภาพทันทีเราพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัดสำรวจหัดทำความเข้าใจคนเราอยู่เนื่องด้วยการหายใจเป็นหลักถ้าหมดลมหายใจก็สภาพร่างกายของเราก็กลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมปลนี่การเจริญสติ ก็เพื่อที่จะรู้เท่าทันใจที่เกิดหรือว่าวิญญาณในกายของตัวเหล่านั้นแหละวิญญาณหรือว่าใจของเหล่านี้หลงมาตั้งนานหลงมาเกิดอยู่ในภพน้อยอยู่ในภพใหญ่จนกระทั่งถึงเวลามาสร้างภพมนุษย์มีขันธ์ห้ามาปกปิดตัวใจเอาไว้ พบมนุษย์ก็มีส่วนนามคือตัวใจกับประการทุกใจส่วนร่างกายหรือว่ารูปประธรรมก็คือร่างกายของตัวเราพอพระเจ้าองค์ท่านให้เจริญสติเข้าไปดูรู้เท่าทันจนใจของเราคลายออกจากนามธรรมาอาการองขันห้าซึ่งเป็นความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมาซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามใจง่ายขึ้นมาใจก็จะว่างกายก็จะเบา ความรู้ตัวเราก็ตามเห็นการเกิดการดับของความคิดของอารมณ์ต่างๆที่ท่านบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความเกิดขึ้นแล้วก็ดังอยู่แล้วก็ดับไปความว่างเปล่าอนัตตาเข้ามาปรากฏเรื่องใหม่เข้ามาใจของเราเป็นหลงเอาความคิดทําให้เกิดอัตตาตัวตนแต่อัตตาทางสมมุติก็มีอยู่ เราพยายามปรับสภาพใจของเราให้อยู่ในพรมเบญารให้อยู่ในความเมตตาให้อยู่ในความอ่อนนอ้อมต่อมตนละทิฏฐิล ะ, ละความเห็นผิดละกิเลสกิเลสก็มีหลายชั้นกิเลสห ย, ยาบยาบมนอันนี้อาจจะเห็นได้ง่ายกิเลสละเอียดไล่เลี่ยงลงไปเรื่อยๆจนความเกิดของใจก็ต้องพยายามน้อมใจของเราให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ถึงเราดับความเกิดไม่ได้ละเดินปัญญาไม่ได้ ก็ขอให้อยู่ในกล่องบุญกล่องกุศลเอาไว้เป็นข้าวโพวกข้าวหอ่อติดตามตัวเราไปจนกว่าเราจะเดินทางให้ถึงจุดหมายคือความสะอาดความบริสุทธิ์คงใจความไม่เกิดคงใจ มีโอกาสไม่ว่าที่ไหนตั้งแต่ตื่นขึ้นให้เรารีบทำบุญกับตัวของเราความรับผิดชอบของเรามีหรือไม่ความขยันหมั่นเพียรความเชื่สละความอดทนว่าอะไรคนททำก่อนอะไรคนททำหลังอะไรบุญมากอะไรบุญน้อยอะไรที่จะเป็นประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลป ร, ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ฝากเอาไว้ในสมมุิ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้มองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีความพยายามมันเปี่ยนก็ต้องถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์เราก็ปลอยได้รับประโยชน์นั้นด้วยขณะที่เรายังมีลมหายใจเราก็อย่างสมมติของเราไม่ให้ได้ลําบากกายของเราก็ไม่ได้ลําบากอย่าไปมองข้ามว่าผัดวันประกันพรุ่งทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกมีคุณค่ามากหมมหาศาล กำลังสติของเราถ้าเดินปัญญาไม่ได้แยกแยะไม่ได้สติจะพลังพ้งเผลอส่วนมากจะพลังพ้งเผลอเพราะความเคยชินเก่าๆความคิดที่เกิดจากใจเกิดจากขันห้าทั้งเกิดจากส่วนสมองรวมกันไปหมดก็เลยมองไม่เห็นความเป็นจริงว่าตัวเองหลงนอกจากบุคคลที่เจริญสติที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงเห็นการเกิดการดับแยกแยะได้ตามดูได้ เห็นตามความเป็นจริงได้ทุกอย่างหมดความสงสัยหมดความลังเลมีตั้งแต่จะก้าวเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางสนุกสร้างบุญทําใจให้เป็นบุญทํากายให้เป็นบุญทําใจให้เป็นพร ะ, จะเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระยมไปปล่อยเราก็จะอยู่กับบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใจของเราก็จะเป็นบุญก็พยายามกัน อย่าไปปิดกั้นตัวเราว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาทุกคนมีเวลาเหมือนกันหมดจะสร้างมามากสร้างมาน้อยเราก็มาดำเนินอยู่ปัจจุบันนี้ให้มันถูกที่ให้มันถูกทางเสียเราก็จะไปในทางที่ดีก็ต้องพยายามเป็นแค่การจเจริญสติพวกเราก็ยังทำกันได้กระท่อนกระแท่น ก็ต้องพยายามทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องพยายามทํากันสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้โตเนื่องกันทั้นิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทําทําใจให้โลกสมองให้โปร่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันอ๋อพากันไหวพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารโตะทําความเข้าใจให้รู้ ทุกเรียบทัท้งพระทั้งขี่เราก็หลงวิหารพระยกกันหมดทุกองค์ทุกรูปหลังจากฉันเข้าเสร็จนะทั้งขัลวาดญาติโยมเรา <c oughs> ไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่ลงทานกัน